มาธาตุติญาทานตัติญาทานจัตุญาทาน <c oughs> ปัญจมาฐานนเลืสารมีองค์ห้าเลือดสารสิทอะไรอะไรโอ้ขีปลาถาไม่ต้องพูดอย่างนั้นเขาได้เราใจเห็นว่ามันหลุดไปจากสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็ต้องไม่ไปทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นเพราะมันพ้นไปแล้วนี่โลดจง๋วทําทให้แจ้งพ้นไปสิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องไม่ไหว้ผีได้หรือจะไหว้ผีก็ได้ แต่คนไม่มีหูมีตาก่อนนึกว่าเขาไหวผีจริงแต่ควาจริงเขาเขาลบตัวของเขายกมือไหวอย่างเขาลบตัวของเราเอย่างเราทําดีแล้วรูปอันนี้มันทําดีแล้วคําพูดพูดออกไปนี่พูดดีแล้วใจนี่มันคิดออกมานี่คิดดีแล้วเขาเรียกว่าเขาลบตัวเองไหว้ตัวเองเห็นตัวเองไม่เป็นคนประมาทมาอย่างนั้นดังนั้นขั้นแรกต้องรู้รูปนาม ขั้นที่สองต่อไปนะไม่ต้องพูดแป้มันมากต้องเห็นรู้เข้าใจเรื่องโทสะโมหะสุพนไปแล้วเวทนาจึงไม่ทุกข์สัญญาเรียกว่าไม่ต้องจำสังขารไม่ต้องปรุงวิญญาณเปวรวรู้วิญญาณไม่ใช่ตายแล้วล่องลอยไปเข้าท้องคนนั้นไปเข้าท้องคนนี้ขับมาเกิดเป็นคน อันนั้นมันเป็นวิญญาณของบุคคลผู้รู้อย่างนั้นแต่ความจริงตัวเองเขาจะวิญญาณคือรู้ MM kind of not ตาเรามีบันเนียตาหมดวิญญาณก็ไม่เห็นไม่รู้หูเรามีบันเนียแต่หมดวิญญาณไม่เห็นไม่รู้จมูกเรามีหมดวิญญาณไม่รู้เหม็นไม่รู้หอมปากเรามีกินข้าวไม่รู้รสกายเราก็เหมือนกันรูปนี้หมดวิญญาณไม่รู้สักดวงใจหมดวิญญาณก็คิดไม่ได้มันเป็นอย่างนั้น จะว่าต้องมีวิญญาณวิญญาณจึงเป็นฐาน ร, รู้แจ้งรู้จริงเท่านั้นเองดังนั้นคำว่าวิญญาณเนี่ยมันมีหลายคําที่สลับซับซ้อนกันเราจะไปให้คนนั้นไม่รู้ห้าไม่ได้ห้าไม่ได้ถ้าเขาทำถูกจังหวะแล้วเหมือนกับลูกบอญเจนซุกเข้าไปซออนเข้าไปนะ บิดเข้าไปถูกจังหวะมันไข่เองมันเป็นธรรมชาติของมันจริ ง, รงเรื่องโทสะโมหะโลภะก็เช่นเดียวกันเรื่องคุมยึดมั่นถือมั่นก็เช่นเดียวกันเขาเรียกอุปาทานมีเช่นเดียวกันมหนึ่หรือสินที่เป็นปกติก็เช่นเดียวกันหรือความสงบก็เช่นเดียวกันเมื่อเห็นรู้เข้าใจแล้วมันจะพ้นไปจากสิ่งที่ไม่รู้มันจะหมดไปกับสิ่งที่ไม่รู้ มันจึงว่านี่โลดจึงทําให้แก่มักจะต้องเจริญเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นบัดนี้เมื่อถึงที่สุดก็คืนเราจะรู้จําพวกไปนั่งสงบกางพวกนั้นติดอยู่ในกางกามอาสาวะตกอยู่ในอาสวะคือกางพระวาสาวะตกอยู่ในพวกอันนั้นอวิชาสาวะเขาไปไม่ได้เพราะมันมียางเหนียวดังนั้นสิ่งเหล่านั้นจึงหลุดพ้นไม่ได้ แม่ใครจะพูดยังไงขอตามตกอยู่ในสามประเภทนี้เองรามาสาวะภาวาสะวะอาอวสาส ะ, ะอาอวิสาคือความไม่รู้จริงอันว่าอย่างนั้นดังนั้นพวกที่ไม่รู้ให้เขาทําไปก่อนเนี้อเขาอยู่ด้วยทุกเขาจะไม่รู้ทุกแต่เมื่อเขาเห็นแจ้งเขาออกจากทุกได้พราะเขาเห็นทุกเบื่อหนายคลายกาหนัดแต่อันนั้นเป็นเขาพูดมันไม่ต้องเบื่อไม่ต้องนาย แต่มันหลุดพ้นไปะคว่หลุดพ้นนั้นคือการเห็นแจ้งถ้าไม่เห็นแจ้งจับหลุดพ้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นการพูดธรรมะให้ฟังวันนี้เพื่อจับใจควมำนำไปใช้ให้มันได้แต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่เป็นถึงที่สุดของทุกที่เรามานี่ต่อไปแต่อารมณ์นั้นไม่ต้องพูดไปมากตอนที่ถึงที่สุดของทุกพูดว่นนี้ขอคุณแล้ว ที่ไหนอาจจะมาเขาพูดอย่างนั้นเมือนกับสำลีที่มันมีน้ําสำลีที่มีน้ำเราบีบออกสำลีมันจะคายน้ําจนหมดเลยเหมือนกับผ้าที่สมัยนี้เขามีผ้าไนล่อนอะไรไปซุปน้ําแต่ผ้านี่ยมันไม่จูบเอาน้ําเลยแต่ผ้าน้ำโ ป, ปรติกเพอดียกขึ้นน้ํามันจะไหลออกหมดเลยเป็นเป็นังนเหมือนกันจิ๋วมันหลุดแล้วสิ่งนั้นออกจากกันแล้วแต่มันก็อยู่ด้วยกันได้ เพราะว่าคนนี่มันต้องกินข้าวปลาอาหารได้เรื่องอาหารใหม่อาหารเก่านั้นจะทำให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้อาหารกินเข้าไปในท้องแล้วเนี่ยจะทำให้หมดทุกเดทไม่ได้ที่อาหารยังไม่ได้กินจะทำให้หมดทุกเดทไม่ได้เพียงแต่มาเลียงร่างกายเท่านั้นเองแต่ร่างกายนี่จะรู้อะไรไม่ได้ดังนั้นอาหารใหม่อาหารเก่านั้นจะมาทำให้รู้แจ้งเห็นจริง หลุดพ้นได้ไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของสัตว์มันต้องเป็นอย่างนั้นดังนั้นการกินข้าวปลาอาหารใครจะกินอันใดก็ได้แต่ขอให้ทำถูกต้องถ้าไม่กินข้าวทำไม่ถูกต้องก็ไม่รู้ไม่หลุดถ้ากินข้าวทำไม่ถูกต้องก็ไม่รู้ไม่หลุดไม่กินข้าวถ้าทำถูกต้องก็รู้ก็หลุดได้มันเหมือนกัน กินก็ได้ไม่กินก็ได้ถ้าทำถูกต้องนะมันก็ต้องรู้ต้องหลุกได้ถ้าทาไม่ถูกต้องกินก็ไม่ได้ไม่กินก็ไม่ได้เพราะเรื่องมันเป็นคนละเรื่องดังนั้นอันโคมรู้สึกตัวน้อยๆเนี่ยมันเป็นผลที่ผอยได้มันเป็นผลที่ผอยไ ด, ยได้ดังนั้นเขาเปรียบเอาไว้การตะบาทรครั้งเดียวได้ผละบกกลั อาตมาเคยเป็นเนนไปอ่านหนังสือให้คนฟังไปส่งอาหารพระตอนเท้าได้ผละห้ากลับไปส่งอาหารตอนกลางวันได้ผละสี่กลับกับหนึ่งกุ้งลอยโยต์ลึกลอยโยน์ลอยปีของเมืองคนจึงเป็นปีทิพย์ของเทวดาหนึ่งปีลอยปีของเมืองคนนะจึงเป็นปีทิพย์ของเทวดาหนึ่งปีเทวดาจะเอ า, มาเมล็ดงาไปทิ้งลงที่ในบ่อ ว่องอยยดลึก้อยยอดนะให้ลาเตียนหมดแล้วนั่นเป็นหนึ่งกับทันวา ย, ยาบัด น, นี้เราไปใส่บาดเพียงข้างเดียวได้หกกับบัด น, นี้และบัด น, นี้เอายากับกาพะหยากาหม่องเนี่ยเราตื่นมาเอาไปที่มใส่ทุกวันตื่นมาจนตายก็ไม่ได้ไม่ได้เต็มเลยเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราไม่เข้าใจคำพูดสั้นๆอย่างนี้ นับเไปตีปัญหอมปัญหากันไปเรื่องอื่นอันควมรู้สึกตัวนี่แหละอันก้วงลอยโยกกรหมายถึงเราไม่รู้สึกตัวเรื่องโมหะนั่นเองมันมีโทสะโมหะโลภบัดนี้เม็ดนางาคือลู่ศึกตัวนี่เองเมื่อลู่เข้าลู่ข้าวลู่เข้าก็เลยลู่ทุกส่วนลู่ข้อมือลู่คอข้อมือลู่คอเข่าลู่คอศอกลู่คอแขนลู่ไปทุกข้อทีเดียว เมื่อรู้ทุกข้ออย่างนั้นนะสมมุติพูดนะมันจะรู้หลักษณะควอมเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ต้องไปเรียนพระไตรปิฎกก็ได้เพราะมันมีในเราจึงมาศึกษาที่ตัวเรากั้วศอกยาววานาคืบนี้มีพร้อมแล้วให้เราศึกษาได้ทุกอย่างกีเดียวมเมล็ดงาก็หมายถึงความรู้สึกหรือจะว่าสติก็ได้ อันมันก่วงลอยโยดคือหมายถึงเราไม่รู้สึกตัวเราเป็นคนประมาทคนประมาทนั้นท่านจึงกล่าวเอาไว้ในตำราว่าเหมือนกับคนตายแล้วถึงจะมีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับคนตายแล้วนั่นวะเพราะว่ามันไม่รู้สึกตัวจะมีค่ามีคุณอะไรจ้ะเมืองคนดีแต่เป็นคนไม่ดีนเมืองคนดีต้องเป็นคนดีก็คือรู้สึกนั่นเองคือเมล็ดงามันเต็มแล้ว นั่นแหละจี่าเป็นกลับเป็นการขึ้นมาพระศรีอริยเมตไตรจีมาตัสลุธันว่าอย่างนั้นแต่เราก็เลยไปติด ต, ตำลักตัวอาตมาเองพระศรีอริยเมตไตรมีอายุ8ปดหมืนปีแล้วจะมาเป็นมหากษัตย์อยู่4ี่0มืนปีจะไปประกาศพุทธศาสนา 40,000 ืนปีเราทำบุญให้ทานปรารถนาอยากไปเกิดที่ตรงนั้นแล้วมันจะไปเกิดได้ทำไม อันนั้นมันเป็นปกุก卡拉าธิฐานเรื่องสมมุติเอามาพูดให้ฟังจึงให้รู้จักสมมุติจริงๆพระแปลพวประเสริฐสีคืองามอาริแปลว่าศึกงะแปล่าพ้นไปเรียกว่าพระสีอาริยเมตตลาลักษณะทั้งนี้แหละรู้ได้จริงว่าสิ่งนี้แหละเป็นสมบัติของพระเนียบุคคลนต่นก็ได้สิ่งนี้แหละเป็นสมบัติของมนุษย์สา โ, โ, โตก็ได้สิ่งนี้แหละเป็นสมบัติของมนุษย์ก่อได้ แล้วแต่จะพูดสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองดังนั้นเรามาที่นี่วันนี้อาตมาก็จะได้ลาจากนักพวก่เ <P le> พื่อนพิกสุสมนเนรและญาติโยมทุกท่านเพราะว่ามาตั้งแต่วันที่2อวันนี้ก็เป็นวันที่แปแล้วจะกลับไปที่ทางโน่นเรียกวัสนามหน่เพราะว่าวัสนามหนยก็นัดเพื่อนไม่ใช่เรานัดเพื่อนนัดเรามา ให้มาพบวันที่7วันที่7ก็เลยไม่ได้ไปเหตุวันนี้ก็ต้องไปวันที่แแล้วดังนั้นการเจริญสติก็ดีการเจริญสมาธิก็ดีการเจริญปัญญาก็ดีมันเป็นเพียงสมมุติให้เรารู้ว่าสมมุติอย่าไปติดสมมุติถ้าคนใดไปติดสมมุติแน่นขึดอยู่กับสมมุติแสดงว่าคนนั้นแหละเรียก ว, ว่าวัาตาสงสารเงยยาวนาน สำหรับบุคคลผู้ที่ไม่รู้ทำห้าของหนักอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาดังนั้นเราจะวางพาละอันหนักพาลาหาเวปัญจขันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักเราต้องรู้จักขันห้าคืออะไรลูบเวทนาสัญญาสังขารบิด ญ, ญาณนี้เองเป็นของหนักเราปล่อยซะแรกนี้ปล่อยของหนักแ ล, ล้วลูบไม่เป็นทุกเวทนาไม่เป็นทุกสัญญาไม่เป็นทุกสังขารไม่เป็นทุก วิญญาณจึงรู้สภาพไม่เป็ดทุกนี่เองวิญญาณจึงเป็นผู้รู้ไม่ใช่วิญญาณตายแล้วไปเกิดเมืองสวรรค์ไม่ใช่วิญญาณตายแล้วไปเกิดนิพพานอันนั้นเอาไว้ก่อนต้องศึกษาหลักษณะปัจจุบันถ้าเราไม่ศึกษาหลักษณะปัจจุบันแล้วเราก็ไม่รู้ทุกเมื่อเราไม่รู้ทุกเราก็ขยับเข้าไปหาทุกน่นเองดังนั้นคนรู้ทุกกับคนไม่รู้ทุกจึงมันไม่เหมือนกันรู้ทุกน้อยมันก็ ทุกข์ก็หมดไปนอนถ้ารู้มากๆทุกข์มันก็หมดไปมาถ้ารู้ทุกข์ให้จบให้สิ้นทุกข์ก็เลยไม่มีเลยเพราะเราเห็นนะแต่ทุกข์ก็มีแต่ทุกข์กนั้นจะมาทําอะไรกับเราไม่ได้เพราะเราเป็นใหญ่ในทุกข์ถ้าเราเป็นน้อยก็ทุกข์ได้เหมือนก็ทุกข์ก็ต้องบังคับเราได้อาตมาก็เคยพูดให้ฟังถ้าเราจะเป็นนักมวยจริงๆแล้วอย่าไปสึกหัดกับผูมากฝึกหัดกับตัวเองให้มาก ถ้าไปฝึกหัดกับครู่แล้วอาจจะได้คุณ น, อน้องถ้าฝึกบ่อยๆกับคูต่อสู้ขึ้นในเวทีต้องซกทันทีแพรสนะมันเป็นเกมกีฬาเมื่อสํานานปเปลียวไว้ข้องแควขึ้นไปในเวทีไม่ต้องไหว้คูอะไรคูต่อสู้เข้ามาซกลุมตาทีเดียวซกเข้าเบ้าตาสองตาเนี่เลยคูต่อสู้จะสู้เราไม่ได้จริงๆอันนี้ก็เช่นเดียวกันพอดีมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บทันที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 จังว่ามันขาดออกจากกันแล้วมันกระท้อนเข้าไปอยู่กับธรรมชาติของมันเองนั่นที่มันดึงเข้าไปพูกกันได้นั่นอันนั้นมันเป็นยางเหนียวมันเป็นยางเหนียวท่านจึงให้รู้เห็นเข้าใจเรื่องอุปาทานนี่ว่ากิเลสตัณหาอุปาทานกรรมก็เสวยทุกขานั้นแหละแต่เราไม่รู้ทุกขานั้นแหละจึงออกจากทุกไม่ได้คนที่รู้ทุกเห็นทุกแต่ เขาไม่ได้อยู่ด้วยทุกแต่อยู่ด้วยทุกเขาจะไม่เข้าไปในทุกเอาและวันนี้ที่นําธรรมะ ม, มาเล่าให้ฟังในตอนเช้าวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วเพราะว่าการพูดนี้มีประโยชน์น้อยกับพวกคุณหรือพวกท่านแต่มีประโยชน์มากสําหรับพวกคุณพวกท่านนาไปปฏิบัติให้มันรู้สึกตัวรู้แล้วปล่อยไป รู้แล้วปล่อยไปไม่ต้องขอเข้าไปยึดไปถือและควรมเป็นเองมันจะเป็นเองแต่ไม่ทําไม่เป็นรู้เสยๆไม่เป็นรู้เท่าไรก็ไม่เป็นเป็นอย่างนั้นวันนี้จึงขอหยุดในการพูดการนะคุยกับพวกเราแล้วก็ะจะขอวิ่งวอนเอาถึงคุณของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใส่พระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียคุณนะ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 ถ้าพระเจ้าท่านตัดไม่ดีแล้วอยู่สัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทาอย่างที่เราตถาคตนี้และก็จะรู้อย่างเราตถาคตนี้แล้วก็จะเห็นอย่างเราตถาคตนี้ก็จะหลุดพ้นไปอย่างเราตถาคตนี้อันนี้เราไม่ทำไม่ทำมันจะเป็นไหมเหมือนกับลูกแจะนั่นเอง ไม่ใช่เป็นลูกของมันจะไปไขมันออกมาได้ทํำไม่ดังนั้นต้องทําอย่างที่พระพเจ้าท่านว่าให้มีความรู้สึกตัวอย่าไปกําหนดมากอันว่ารู้สึกตัวกับกําหนดเนี่ยมันผิดขันนะอันนี้เรียกว่าสติควนมระลึกได้แต่ไม่ต้องระลึกถึงวานนี้ไม่ต้องระลึกอะไรคือว่ารู้สึกตัวนั่นแหละเป็นการที่สัมผัสหรือว่าผัสสะหรือว่าระลึกได้หรือว่ารู้ลลได้เท่านั้นเองต่อเมื่อเรากระทบ สิ่งแข็งแข็งกระทบกันแตกออกจากกันแล้วมันเข้าสู่สภาพเดิมนั่นแหละคือรู้แจ้งรู้จริงผิดไปจากธรรมชาติเดิมแล้วขอให้พวกเราทุกคนทุกคนได้พบเอาในซิบิตนี้จงทุกท่านทุกคนเธอต่อแล้วสาบแล้วเลิกกันได้เป็นคนอาตมาก็เป็นคน ใครเคยมีปัญหาเพรากายพราใจบ้างอย่างนี้ยกมือขึ้น<ป>ก็ทำํำไปยกมือขึ้นอมีปัญหาเหมือนกันทุกคนอาตมาก็มีปัญหาพรากายพราใจสมัยก่อนก็เลยพูดไปใครเคยหมดปัญหาเรื่องนี้บ้างยกมือขึ้นไม่มีใครยกเลยผมพอยกคนเดียวเราพอบรรลองว่าไม่มีปัญหาเพรากายพราใจท่านทุกท่านจะเป็นศาสนาใดก็ตาม ศาสนะคริตศาสนาพุทธศิสลาก็ตามมันหมายถึงมาแก้ปัญหาชีวิตของราจนไม่มีปัญหานั่นแหละเรียกว่าเรามีศาสนาถ้าพูดแล้วว่าถ้าใครยังมีทุกข์อยู่พวกนั้นยังไม่มีตัวศาสนาอันก็เลยพูดถูกกันก็เกิดความพอใจสร้างบรรยากาศดีอันนี้เขาก็ยนงมนต์ไปพูดอยู่เรื่อยอันเรื่องศาสนาก็เรื่องของคนคนที่ไม่มีปัญหา นั่นถ้าพวกหนูๆทั้งหลายมาลูกจากละเนี่ตั้งแต่นมนมไม่น้อยอย่างนี้โอ้จะมีชีวิตเดียวลุงพ่อชีวิตลุงพ่อเสียไปสามสิบปีอายุลุงพ่อสามสิบปีจึงมารู้วันนี้ น, นั่นเลยนี่เรียว่าเป็นนิมิตหายันดีให้พวกเราเทั้งหลายได้สนใจศึกษาชีวิตเรื่องนี้ประจงเพียนพยายามลูกกิ่งลูกได้จริงๆ เพราะมันเป็นจงบดของเราทุกคนถ้ามีปัญหาเดินจงกรมเดินเป็นไหมเดินจงกรมอ่ะกเดินหน่อสิคนสองคนก็ได้วิธีเดินจุไม่ต้องแกงแขนเอามือวางไว้ในก็ะดกอดอกก็ได้ขัดหลังีนก็ะด ให้มีการเคลื่อนไหวส่วนเดียวพอเราเดินก็มีการเคลื่อนไหวส่วนเท้านะาลู่อ ย, ลลอยู่นะพล้วกู้อยู่กับกา้ากับท่าที่มันก้าไปรารู้เสร็จอยู่ต้องว่า้ายอย่างน้อน เดินเดินยังไเดินย่างนี้รือว่าเดินคิดไปทางเดินไม่ได้เลยให้ลูกอยู่นี่เดินเป็นเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ถูกเดินเป็นแต่มันไม่ถูกเดินตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่ถูกเดินให้มันถูกก็เดินให้มีสติมันคิดเหรคะมาคิดเหรอคะพอมันพอมันคิดไปก็กลับมาอยู่นี่แต่มาอยู่ที่เท้านี่อันนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าลอคิดไปก็กลับมานี่กลับมากลับมาปฏิคืออะไรปฏิก็คือกลับ เคยคิดบ่อยนะคะไว้คิดบ่อยก็เปลี่ยนทีบทแต่มันนั่งอยู่นั้นก็เปลี่ยนทีบทต่อขับมาบทคิดหลายทีก็ขับมาทุกทีทุกทีอย่าไปห้ามมันนะความคิดอย่ไปห้ามความ <c oughs> คิดไปรูดมีปัญหาคือเด็กเขาขณะที่สอนไปบอกว่าพอเขาคิดไปเนี่ยเขาารู้ว่าทํามคิดของเ้าแม่ไปแล้วเขาก็รู้สึกมาอยู่กับอิเดียบทใหม่แล้วก็เกิดความเป็นทุกข์กังวลว่าเขาจะเป็นคนไม่มีสติอย่าไปคิดอย่างนั้นนั่นก็ซ่อนความคิดเข้าไปแหล่ไม่ถูก มันไปซ่อนกับความคิดเข้าไปอย่างสมมติว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับไม่มีปัญหนานะก็คิดว่าตัวเองนอนไม่หลับซ่อนเข้าไปก็เลยมัมนจะไปคิดสิกำนวลเรื่องพับกับมามันคิดวนะ่าหพ่อก็รู้ลุกแล้วเนี่ยอนมีปัญหาแล้วเนี้ยนะก็โกรธตัวเองว่าตนไม่มีสติมันคิดอะไรก็ฟังวลเรื่องอย่าไปกำนวลแล้วมันไปคิดขึ้นมากลับมาแล้วนั่นแหละเพราะถ้าเกินกว่านั้นไม่ไม่ถูกไม่ใช่สติปัญญา แตมากังวลอยู่ไม่ใช่สิแที่ประธานมันจะเทานี้นะรู้สึกรู้สึกมันไม่ใช่ที่ทไม่ใช่บังคับเป็นแต่รู้สึกอยากย้ายกันไปเอาตาเป็นไหตาเป็นไหมนะเฮีย บ, บนจลีนะใช่านจลีวนา คิดว่าอัญชลีปัญธนาคิดว่ า, วาตำเนียมของของเราสาวพุทอ่ะตัง้งใจจะเดินยืนตัง <c oughs> และญาติโยมทุกทุกท่านคตั้งใจฟังกันในขณะนี้ตีสี่สามจิตสามสิบสี่นะทีวันนี้เป็นวันเสาร์ที่แปด คุณพาพันสองพันหรอยี่เราที่เราทัมเช้าวันนี้เสร็จแล้วก็มีการแนะนววิธีที่ปฏิบัติถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเป็นวิธีปฏิบัติธรรมถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็เป็นวิธีที่ปฏิบัติตัวเองพูดไปมันมาก เป็นวิธีที่ปฏิบัติเรื่องชีวิตของแต่ละคนละคนเองดังนั้นที่เราเคยพูดกันคู่ที่ศึกษาเราเรียนมากก็ต้องรู้มากคนที่ไม่ศึกษาเราเรียนก็ไม่มีกวมรู้เป็นยังไงแต่ที่เราพูดกันนั้นว่าหลักพุทธศาสนานั้น เป็นแกงแท้หรือเป็นหัวใจของพุทธศาสนานั้นเราพูดกันเรื่องอริยสัจสี่หนึ่งหรือสติปฐานสีหนึ่งพูดกันเป็นสองบทเรว่าสติปถานสี่กับอริยสัจสีนอกจากสติปฐานสี่กับอริยสัจสี่แล้วก็เรื่องปฏิจจสมุปบาท นอกจากปฏิจจสมุปบาทแล้วเขาเรียกว่าขันห้าอายตนะ1 2บสองาสิอินเสียยียยส่สิบสองอินเสียยี่ปฏิจจสมุปบาทอันนี้อสสีปฏิจจสมุปบาทแปดสินมันวกวนอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาดังนั้นการศึกษานั้นถ้าคนมีความรู้ รู้เพียงคำพูดและจำมาก็พูดได้แต่ไม่เข้าใจว่าคาพูดนั้นหมายถึงอะไรไม่เข้าใจก็มีเป็นจําวมากแต่บุคคลที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนนั้นปฏิบัติรู้แต่เมื่อมีบุคคลใดคนหนึ่งพูดขึ้นสิ่งที่ไม่ได้เรีย น, นก็นรู้แต่บางบทบางตอนอาจจะมีข้อสงสัยก็ได้ คว่าสงสัยเป็นทุกข์ไหมไม่ใช่อย่างนั้นคือว่าความสงสัยสิ่งนี้เราคือไม่รู้มันไม่รู้สิ่งที่นอกตัวไปเราไม่รู้ดังนั้นการศึกษาหลักพุทธศาสนาก็าตามการศึกษาธรรมะก็าตามการศึกษาเรื่องชีวิต ก, ก็าตามต้องศึกษาเพื่อความเข้าใจเพื่อให้รู้ไม่ใช่ว่ารู้จำนะที่พูดนี้ การศึกษาวิธีนี้จึงรับรองและยืนยัดว่าคำพูดตัวเองนี่แหละไม่พลาดว่าถูกต้องถูกยังไงไม่พลาดยังไงไม่พลาดพอศึกษาของจริงถูกต้องก็ต้องรู้ของจริงถ้าไม่รู้ของจริงแล้วก็แปลว่าพลาดผิดไปจากของจริงถ้าว่า ไม่ถูกต้องก็หมายถึงว่าธาตุผิดไปจากของจริงตรงนั้นดังนั้นของจริงจึงว่าเป็นสัจจะแท้ถึงจะรู้มันก็มีอยู่อย่างนั้นไม่รู้มันก็มีอย่างอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเป็นสัจจะคำว่าสัจจะนี่หมายถึงของจริงไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผลัคนคงที่ถาวร อ, อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาถึงจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกธรรมสนิท นั้นหรือสนิทนี้ก็มีอยู่แล้วหรือไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกทำรรมาสนิทนั้นหรือสนิทนี้และแจะพูดนะก็มีอยู่อย่างนั้นถึงจะมีผู้รู้ก็มีอยู่อย่างนั้นไม่มีผู้รู้ก็มีอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเป็นสัจจะแท้ดังนั้นเราไปคํานึงคํานวณ น, นอกตัวเราไปก็เลยไม่รู้ว่าสัจจะคืออะไรอยู่ที่ไหน ไม่รู้เมื่อไม่รู้อย่างนั้นก็หมายถึงว่าบุคคล น, นั้นเกิดมาเสียสา่าสเสียทีเสียควมเป็นมนุษย์คนโบราณท่านว่าเมืองคนดีกลับเป็นคนไม่ดีเขาเมืองคนดีกลับเป็นคนไม่ดีนี่พูดน้อยๆแต่มันกินขวมมากว่วงมากเมืองคนดีหมายถึง การเกิดเป็นคนนี่ยากนะที่จะเกิดเป็นคนได้เราพอที่จะมองเห็นได้บางคนแม่ตั้งท้องขึ้นมาแทงออกมาไม่ได้เกิดเป็นคนบางคนคอดออกมาพอดีหลุกจากท้องแม่ตายไปทันทีก็งี่บางคนมีอายุเพียงเก้าวันสึบวันตายแต่ก็มีบางที เป็นหนุ่มเป็นสาวตายไปก็มีบางทีเป็นพ่อบ้านแม่เรือนตายไปก็มีบางทีอายุหกสิบเจ็ดสิบถึงร้อยปีตายไปก็มีไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนควรหรือไม่ควรไม่รู้ตัวของผมเองอันนี้ตัวของอธมาเองเกิดมาพอแม่เราให้ฟังมาเกิดวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นจำได้แต่บางครั้งก็ ลืมถามถึงสองครั้งอสองครั้งสามครั้งยังจาได้บางคำบางคำถามถึงสี่ครั้งก็ยังจําไม่ไดนะ้อันนั้นไม่ใช่เป็นการเกิดในทางาพระพุทธศาสน า, ศาไม่ใช่เกิดในทางความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจดังนั้นพวกเรามาที่นี่วันนี้เป็นวันเสาร์ที่แปดอาตมา ได้มาที่สำนักนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่สองมาถึงที่นี่ก็วันที่สองก็ยังไม่ได้พูดอะไรให้ฟังวันที่สามก็พูดให้ฟังวันที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดวันนี้เป็นวันที่แปดก็เธอว่าจะเป็นการพูดเพื่อทํำผมเข้าใจให้เราเอาไปใส้กับชีวิตของเราได้ทุกเพศทุกไล แม้จะเป็นเพศหญิงก็ใช้ได้เป็นเพศชายก็ใส่ได้เป็นเพศบัพชิตหรือสมณะหรือเป็นเพศผ้าเพศเนนเราจะว่าอย่างไรก็ได้เป็นเรื่องสมมติก็เอาไปใช้ได้ธรรมะจึงมีอันเดียวเท่านั้นมีอันเดียวคือรู้กับชีวิตตัวเองนี่เองเรียว่าธรรมะแท้ถ้าไม่รู้กับชีวิตตัวเองแล้วอันนั้นก็ เป็นความรู้แก้ปัญหาไม่ตกเป็นความรู้ของอวิชชาดังนั้นการปฏิบัติธรรมะแบบที่หลวงพ่อหรื อ, อผมนามาเล่าสูขฟังวันนี้นั้นมันเป็นวิธีไก่สนิดหนึ่งหรือเป็นหนะโยบายสนิดหนึ่ง <c oughs> เรียนรู้ก็ได้ไม่เรียนรู้ก็ได้แต่ให้มั่นใจว่าการกระทำนั้นทำ ทำเป็นทุกคนทำไมจะว่าทำเป็นทุกคนเพราะมันมีการเคลื่อนไหวพลิกมือขึืนรู้สึกขัวมือลงรู้สึกอันเลี่ยวสติรู้สึ ก, มส ก, นนสสกไม่ใช่สติกำหนดรู้นะถ้ากำหนดลงไปแล้วมันหนักมันติดมันยึดถ้ากำหนดรู้แล้วมันเพ่งคำว่าเพ่งมันติดมันยึดมันลงตัวเดียว เอาเบา ๆ, ๆเราเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามให้มันรู้เรียกว่าสติสติรู้เรียกว่าสติปฐานสีคาว่าสติปฐานสีในตําราและครูบาอาจารย์เคยน้อยให้ฟังว่าต้องมีสติเข้าไปกําหนดรู้กายในกายท่านสอนมีสติเข้าไปกําหนดรู้กายในกายสติปทานสี ข้อที่สองให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้เวทนาในเวทนาข้อที่สามท่านว่าให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้จิตในจิตเรียกว่าจิตตานูปัจจานาข้อที่สี่ท่านว่ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ธรรมในธนนในรน <c oughs> รสสมรคือธรรมมานูปัสจนานั่นเองอันนั้นมันตาําราคู่ ได้มันดีแล้วตำราเอาไว้ที่นั่นแหละแต่เรามาศึกษาวิธีลัดๆไม่ต้องกำหนดว่าเวทนาหรือว่ากายอะไรก็ตามความรู้นั้นมันรู้มาเองเพราะมันมีแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> มันมีแล้วเราเคลื่อนมือจะเคลื่อนวิธีใดก็ตามแต่เรามาทำเป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหวะเพราะคนมันเป็นจังหวะ มีข้อมือข้อศอกข้อแขนมันเป็นจังหวะเป็นส่วนเป็นส่วนของมันให้มันไปตามจังหวะของมันเส้นพิษตาก็ตามไม่ต้องหลับตานี้ไม่ฝืนธรรมชาติจริงๆศึกษากับธรรมชาติจริงๆอันนี้พราธรรมชาติมันมีอย่างนั้นต้องศึกษาเข้าไปกับตัวธรรมชาติมันจริงๆจังหวะลูของจริง รู้ของจริงอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันจริงๆคงที่ถาวรตลอดมาเป็นอย่างนั้นคนเกิดมาสัตว์เกิดมาเกิดแล้วหลุดออกจากท้องแม่มาแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องมีการเคลื่อนการไหวเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นเราก็เลยมารู้อันนั้นสิ่งนี้แหละคือลูกรู้เองแต่ไม่ต้องเรียนกับใครก็ได้แต่ทําให้มันถูกถ้าไม่ถูกไม่รู้ เหมือนกับลูกปนแจ่เอาไปสุกเข้าในรูมันแต่มันเข้ากันได้แต่ไม่ใช่ลูกของมันบิดมันก็ไม่ออกถ้าเป็นลูกของมันสุกเข้าเอาไปสอดเข้าสุกเข้ากับสอดเข้าเป็นคำเดียวกันไหมเริ่มเรไปแห็หลวงพ่อไม่รู้คำไหมเอาสุกเข้าหรือสอดเข้าสอดเข้านะเอาสอดเข้ากับสุกเข้าเป็นคำเดียวกันนะบ้านหลวงพ่อเราสุกเข้าเอาสอดเข้าแล้วบิดเบาๆ ถ้าเป็นตัวของมันลูกของมันจริงๆบิดเบาๆออกเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าทําถูกต้องเลยต้องรู้อย่างนี้ย่าไปว่ากําหนดรู้เพียงเอารู้รู้เฉยๆรู้เบาๆอันนี้เรียกว่าสติก็ได้เรียกว่าคมรู้สึกก็ได้หรือว่าคมหูเมือก็ได้จะว่ายังไงก็ได้ไม่ต้องว่าสติก็ได้ว่ารู้สึกจนกระหอบให้รู้ ควบลงให้รู้ยกไปให้รู้เอามาให้รู้มันรู้มันหยุดให้รู้ไม่ใต่ว่ารู้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคือมันหยุดกว่าให้รู้ทันทีมันไหวไปก็ให้รู้ทันทีนี่เรียกว่ารู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจอ น, นี้คําว่ารู้สึกตัวนั่นที่เป็นวัตถุมองเห็นด้วยตาเรียว่ารูปให้รู้รูปนี่เองรูปกับน้ำ ม, มันติดกันอยู่นี่แยกออกจากกันไม่ได้ แงกจากกันเมื่อใดตายเมื่อนั้นหมดลมหายใจจรงหวะให้รู้จักว่ารูปกับนามไม่ใ็จรูปคำอย่างนี้รูปไม่ใช่ๆอย่างคือรูปจริงๆนี่เนี่ยให้เป็นรูปจริงไม่ใชจรูปแต่กระดาษนะคือเอาตัวจริงนี่แหละเป็นรูปขึ้นมาดูอันนี้จริงวะมันเป็นของจริงจะศึกษาก็ได้ไม่ศึกษาก็ได้ภาษาขึ้นบ้านเลี่ยว่ากายกับใจภาษาธรรมะเนี่ยว่ารูปขับนามเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้อันนี้แล้วก็ รูรูปโรคนามโรครูปอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นโรคถ้าไม่เป็นโรคไม่ตายตก็ไงโรคเจ็บหมอปวดท้องอันนี้เป็นโรคทางเนื้อหนังต้องไปโรงพยาบาลให้หมอผู้เสี่ยวนสารตรวจเซ็กร่างกายให้ยาให้ยามาแล้วคนที่เป็นโรคนั้ต้องกินยาโรคจึงจะหายถ้าหมอตรวจเซ็กร่างกายดีแล้วให้ยามาคนที่เป็นโรคไม่กิน อยาไม่เข้าไปในท้องเขาไม่แทรกซึมไปเนื้อนในเนื้อในหนังโรค ก, ก็ไม่หายเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงว่าโรคสนิดนี้หมอตามโรงพยาบาลรักษาไดา้โรคอีกอย่างหนึ่งคือจิตใจมันนึกมันคิดชอบเปลียดดีใจเสียใจโรคอันนี้หมอโรงพยาบาลรักษาไดาย้ยากต้องจําเป็นเอาความรู้สึกนี้เอง หรือจะพูดไปว่องว่องก็เรียกว่าเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาเป็นกลางๆไว้และต้องปฏิบัติตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจึงจะรักษาโรคอันนี้ได้โรคอันนี้เมื่อรู้จักกันนี้แล้วก่อรู้จักการเคลื่อนไหวทุกส่วนเป็นทุกเมื่อเห็นความทุกข์แล้วก็ไม่ต้องการความทุกข์เมื่อไม่ต้องการความทุกข์ก็เรียกว่าเราไม่ต้องการความอยากมาเกิดเป็นคน ก็ เ, เห็นทุกจริงๆไม่ต้องการอยากมาเป็นคนไม่ต้องการอยากเป็นเทวดากินผมแม้ยังไงก็ตามคนที่เห็นทุกจริงๆเมื่อเห็นทุกแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปในทุกเพียงสมมุติให้รู้จักสมมุติสมมุติผีสมมุติเทวดารู้เห็นเข้าใจอย่างที่อาตมาหรือผมพูดให้ฟังนี่คนมีปัญญาฟังแล้วนําไปใช้ได้เลย อันนี้เรียกว่าเข้าใจสมมตุติคนทําชั่วพูดชั่วเขาเรียกว่าไอ้ผีหรือ น, นางนี้เป็นผีพระสงฆ์องค์แหงก็เป็นผีเหมือนกันเนี่ยจึงว่ามันเป็นเพียงสมมตุติการบวชเนี่ยบวชแล้วสึกไปก็ได้สึกแล้วบวชเข้ามาก็ได้มันเป็นเพียงสมมตุติตัวจริงนั่นไม่เปลี่ยนแปลไม่แปรผันบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้ไเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้จักสมมุติดีแล้ว ก็รู้จั ก, จากาศาสน า, สาศาสนาไม่ได้หมายถึงวัดทุหรือเช่นว่าวัดพระพุทธรูปหนังสือเจดีบทวิหารเหล่านั้นไม่ได้หมายถึงอันนั้นอย่างเดียวอันนั้นก็จริงอยู่จริงโดยสมมุติเป็าศาสนาคือตัวคนทุกคนนั่นแหละเป็นตัวาศาสนาตัวพุทธาศาสนาคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาที่มีอยู่ในคนนั่นแหละ แต่ว่าทุกคนมันต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาอันนั่นแหละตัวพุทธศาสนาตัวที่จะรู้ได้เนศาสนาแต่คำสอนคนรู้เรื่องอนใดนำมาสอนทางนั้นตัวพุทธศาสนานี่ลึกกว่าตัวศาสนาอย่าพุทธคือรู้เองเห็นเองเข้าใจเองเหนไหมจึงพุทธศาสนานั้นคือเป็นการรู้แจ้งรู้จริงรู้แล้วไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันไม่ขับคาได้ รู้แล้วต้องเอาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาจนหมดลมหายใจเมื่อใดก็จึงหยุดเมื่อนั้นอาตามาเข้าใจอย่างนั้นแล้วคนอื่นจะเข้าใจอย่างไงไม่ทราบแต่เข้าใจเรื่องตัวเองนําเอาเรื่องตัวเองมาพูดเป็นอย่างแล้วก็เข้าใจบาปบุญนี่แหละเข้าใจจริงๆเห็นรู้เข้าใจบุญก็คือเรารู้เราเห็นแล้ว เ, เข้าใจเราสบายใจแต่ เมื่อเรายังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจก็มีความสงสัยมือตื้ออยู่ภายในใ จ, ใจิตใจจิตใจมันหนักมันแน่นมันไม่เข้าใจใครพูดเรื่องอะไรไม่เข้าใจไม่มีความสว่างเลยพอดีมาเข้าใจอย่างนี้อย่างที่พูดแล้วมีความสว่างใครจะพูดยังไงรู้ฟังได้แต่ว่าตัวเองจะเอาหรือไม่เอาเป็นอีกเรื่อง ดังนั้นเมื่อรู้จักอย่างนี้แล้วก็เลยรู้จักตัวเองว่าเขาลบตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้เขาลบตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้เพื่ออะไรโลกสังคมเขายกมือไหว้กันโลกสังคมไปการาบพระพุทธรูปโลกสังคมกราบผีไหว้ผีสมัยนี้ก็ตามหรือจะเป็นสมัยตั้งแต่ดึกดําบันมาก็ตามโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้น ดังนั้นเมื่อบุคคลที่รู้อย่างนี้เนี่ยเข้ากับสังคมแล้วไม่พลาดผิดเขากราบผีเราก็กราบได้เขากลาบพระพุทธรูปก็กราบได้เขาไม่กราบผีก็ไม่กราบเขาไม่กราบพระพุทธรูปก็ไม่กราบเขาไหว้นางธรณีเทวดาอะไรอะไรไหว้ได้ทั้งหมดกราบได้หมดแต่ตัวเองเนี่ยไม่ต้องกราบผีไม่ต้องกราบเทวดาไม่ต้องกราบอะไรทั้งหมดกราบตัวเองยกมือไหว้ตัวเอง แต่คนที่ไม่รู้จําเป็นต้องไปกราบผีจริงๆไปไหว้ผีจริงๆไปกราบเทวดาจริงๆเทวดไม่ไหว้เทวดาจริงๆอยู่ที่ไหนไม่รู้ผีเทวดาไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจเมื่อมาสัมผัสกับธรรมชาติมันจริงๆแล้วตัวชีวิตจริงๆแล้วไหว้ผีเทวดาเราเห็นมีตัเพิ่ขึ้นมาแล้วนี่จึงว่ายกมือไหว้ตัวเองเป็นการทําให้พบจบทั่วหมด ยกเมื่อไหวตัวเองเป็นการคำครบทั้งหมดเลยดังนั้นจึงบุคคลนั่นแหละคือรู้ธรรมะเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะรู้ธรรมในการกระทํานั่นเองรู้ธรรมในการพูดนั่นเองรู้ธรรมในจิตใจนึกคิดนั่นเองจ้งะรู้ธรรมแท้ดังนั้นเมื่อเห็นอันนี้รู้อันนี้แล้วก็หมดทุกประเภทนี้ไม่จะเรียนหนังสือก็รู้อย่างนี้ไม่เรียนหนังสือก็รู้อย่างนี้ เขียนหนังสือเป็นก็รู้อย่างนี้เขียนหนังสือไม่เป็นก็รู้อย่างนี้ถ้ารู้ผิด จ, จาก น, นี้ไปแล้วปแปลว่าไม่รู้อันนี้และทําไม่ถูกต้องเรื่องนี้ถ้าทําถูกต้องเรื่องนี้ต้องมาลูเรื่องนี้ถ้าทําไม่ถูกต้องเรื่องนี้มันจะรู้เรื่องนี้ได้ทําไมเหมือนกับกคนแก่ถ้าไม่เป็นลูกของมันแล้วเอาซุกเข้าลูมันซุกเข้าได้แต่บิดมันไม่ไขบิดบางทีก็ลูกมันหักขาตัวก็มีนะเป็นอย่างนั้น ดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วยังไม่ท้อถอยไม่ย่อหย่อนต่อการะทำเดี๋ยวรักรักงานรักงานรักหน้าที่เพราะเราเป็นคนเป็นมนุษย์สากลโตเนื้อเป็นใหญ่ได้ตัวแล้เวเป็นใหญ่ในจิต ใ, ใ, ในใจแล้วแบบ น, นี้ทําไปทําอย่างเดิมนั่นแหละสร้างจังหวะให้มันรู้สึกตัวอย่างเดิมนั่นแหละเมื่อทำํำซามันตึงเครียดทําเร็วขึ้นแบบ น, นี้ ทีแรกตอนสมซาเพื่อเรายัางไม่สำนานกับสิ่งเหล่านั้นบัดนี้ความสำนานมันมันคล่องแคล่วมันไวขึ้นจิตใจมันนึกมันคิดก่อเห็นก่อรู้ก่เข้าใจสัมผัสได้ป็นเมื่อรู้เท่าทัดรู้เท่าทันเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเรื่องโทสะโมหะโลภเข้าใจว่าเป็นของไม่ดีเราก็เลิกมันได้ถ้าเรายังไม่เห็นเลิกมันไม่ได้ แต่ความเป็นเองนั่นเหมมันเป็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่าสิ่งนั้นมันมีอยู่อย่างนั้นจะรู้ก็มีอยู่อย่างนั้นไม่รู้ก็มีอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเป็นสัจจะแท้อะรอย่างนั้นดังนั้นคนที่รู้จึงไม่เอาสิ่งนั้นเข้ามาเป็นเพื่อนแต่มันเป็นเพื่อนแต่ไม่เอาเข้ามาเป็นเพื่อนเมืองคนดีแต่ให้เป็นคนดีเมืองคนดีแต่เป็นคนไม่ดี เอาสิ่งนั้นมาเป็นเพื่อนเอาสิ่งนั้นมาปกครองเดือเมืองคนดีร่างกายได้ดีแล้วแต่เอาจิตใจสดิจนั้นเข้ามาขรอในทางที่ไม่ดีเป็นคนไม่ดีกันหนเมืองคนดีกลับเป็นคนไม่ดีนี่คนไม่ดีจึงพูดคำหยาคายคนไม่ดีจึงทําความผิดคนไม่ดีจึงคิดผิดติถ้าเมืองคนดีเป็นคนดีเข้ามาอยู่ เราก็ทาดีพูดดีคิดดีที่อันนี้เราไม่เข้าใจความหมายแต่เพียงเรากูดได้อันคำพูดนั้นจริงว่าร้อยคำพันคำหมื่นคำแสนคำก็ตามสู้การกระทำให้เห็นแจ้งครั้งเดียวไม่ได้สู้การกระทำให้เห็นแจ้งครั้งเดียวไม่ไ ด, รรเเ ด, ไได้เมื่อการกระทำเห็นแจ้ง ครั้งเดียวแล้วมันทราบซึ้งตึงใจยอยู่กับสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจริงว่ามันก็มีอยู่ในนั้นแต่ไม่เอาสิ่งนั้นเข้ามาใช้เท่านั้นเองดังนั้นสิ่งนี้แปลว่าไม่ยึดไม่ถือคําว่าไม่ยึดไม่ถือมันพูดได้แต่มันไม่หลุดออกจากกันเมื่อมันไม่หลุดออกจากกันมันก็ต้องติดเหมือนกับลูกโซ่มันเป็นปอกเป็นปอบกำลังไ้อย่างนั้น เมื่อเรามีสบหรือมีเพชศหรือมีอะไรตัดตัดออกไปแล้วมันก็กอกกันไม่ได้อ้าวสมมุติให้ฟังมีกระจกบานหนึ่งมาตั้งไว้ที่ตรงนี้เราอยู่ด้วยกันเนี่ยหลายคนเนี่ยแต่รูปของทุกคนมองเข้าไปหน้ากระจกต้องไปอยู่ในกระจกทั้งหมดกระจกนั้นไม่รู้สึกว่ามันหนักเมื่อหันหน้ากระจกออกไปแล้วรูปภาพในหน้าของเรานี่จะไม่มีอยู่ในกระจกเลย อันนี้ก็ทันนั้นแต่เมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วรูปภาพอันนั้นมีอยู่แต่กระจกไม่หนักเราก็เหมือนกันแต่ฟังเสียงพูดนั้นฟังได้อยาพูดดีก็ฟังได้อยาพูดชั่วก็ฟังได้ตาเราก็มองเห็นได้การกระทําของบุคคลแต่มันไม่นักแสดงว่ามันไม่ยึดแล้วมันขาดออกจากกันแล้วทันไรย่างนั้นอันนี้รู้ต้องรู้ไปอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้ เพราะว่ามันไปตามส่วนของมันเหมือนกับมือเรานี่มันมีข้อมือกำมือได้เหยียดมือได้มันเป็นข้อตามจังหวะจังหวะของมันไปดังนั้นการที่หดุลก็หลุดไปตามจังหวะของมันไปหลุดที่แรกเรื่องลุกน้ําหลุดที่สองเข้าไปเรื่องโทสะโมหะโลภะลุดไปขั้นที่สามดุดเรื่องความยึดมั่นถือมั่นหลุดไปขั้นที่สี่ดุดเรื่องที่ เรียกว่ามีสินมีข้อได้ไม่มีข้อได้สินจึงไม่ไปยึดอยู่กับตาําราดูเอาใจทีเดียวสิลอยู่ในตํารานี่ยมันหนักมันมากรักษาไม่ไหวเพียงรักษาเห็นรู้เข้าใจจิตใจมันนึกมันคิดมันก็เสร็จเรื่องกับการรักษาศิลการจินเจ ก, ก็เหมือนกันการให้ทานก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมันหลุดไปอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนของมันไปอย่างนี้ หลุดออกไปขั้นต่อไปเราพูดกันว่าความสงบคำว่าความสงบเนี่ยสงบโดยวิธีไหนเราจะรู้ไม่แซนั่งสงบสงบจากความพ้นไปสงบจากความหลุดค้นสงบจากการที่ไม่รู้เพราะมันรู้มันเห็นมันเข้าใจอันนี้แหละเป็นการเจริญสติแท้ แ, ทแต่ว่าไม่กำหนดรู้แต่เพียงรู้ถ้ากำหนดรู้มันหนะักเรียกว่า รูกายทีแรกแนวกายญานุปัสนาไม่ใช่คายได้กายนะไม่ใช่กายในกายเข้าไปตัดใจไสปอกน่ะอันนี้เปล่ารูกายเวทนารูการเคลื่อนไหวเวทนาหมายถึงการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวโดยวิเทโกรูณเนี่ยอันนี้แหละรูกายวันนี้รูเลื่องรูวันนี้เรื่อการเคลื่อนไหวกําหนดรูรูปเนี่ย มันเคลื่อนไหวมันเป็นรูปต้องให้รู้รูปมันเคลื่อนไหวเป็นเวทนาจิตมันคิดรูปเนี้ย่ยทำอันทำให้จิตใจคิดนั่นน่ะเราต้องรู้ทำในทำแต่ว่าไม่กําหนดมันมันรู้เองอันนี้เรียกว่าสติปัฏฐานสีอริยสัจสีบัดเนี่ยทุกส ม, ทมกุทัยนิโรธมรรคทุกพราะเกิดมาเป็นก้อนทุกเป็นรูปนี่เป็นก้อนทุกเป็นก้อนทุก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 เคลื่อนไหวเอียงซ้ายเอียงหัวาก้มเงยมันเป็นของอยากพิบตาละเอียดเข้าไปอมืมันละเอียดก็มันมันมองไกลไม่เห็นหายใจละเอียดเข้าไปแล้วก็ต้องศึกษาตามหลักการเหล่านี้มันละเอียดเข้าไปส่วนคิดนี่คนอื่นมองไม่เห็นวะ น, นี่นี่แต่ตัวเองก็ยังไม่เห็นไม่รู้แล้วนี่อันนี้เรียกว่าอริยสัจสี่คือทุก รู้พราการเคลื่อนไหวสมุทัยทําให้ทุกเกิดตัวสมุทัยคือตัวคิดมันคิดเราต้องรู้พอดีเห็นรู้เข้าใจผมคิดมันอยู่แปลว่าสมุทัยต้องรับมักต้องเจริญมักต้องทําทำบ่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมันเป็นอย่างนั้นีน่โลดจี่ ว, ว่าทําให้แจ้งให้แก้งคืออะไรมันเห็นมันรู้มันเข้าใจวิธีกลไกเทคนิคของ จ, จิตใจรู้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 และสติปัะฐาสี่ไม่ต้องแปลอะไรมากทำเพียงเท่านี้แหละมันจะรูป